นักวิทยาศาสตร์เชื่อกรรมถามอาชีพของผมเรียกได้ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เมื่อหันมาเชื่อเรื่องวิบากกรรมก็มักได้รับคำถามจากคนรอบข้างว่าทำไมถึงเชื่ออะไรที่พิสูจน์ไม่ได้ผมควรตอบคำถามอย่างไรให้ดูเข้ากับความเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สุด ตอบบอกพวกเขาเป็เลยครับว่านักวิทยาศาสตร์มีสองแบบคือหนึ่งนักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์คือพวกที่พยายามอธิบายว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ 2. นักวิทยาศาสตร์ประยุก ค, คือพวกที่พยายามหาวิธีว่าจะให้มันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงแทนที่จะบอกคนรอบข้าง ว่าคุณหันมาสนใจการวิบากก็เพิ่มเกรดให้ตัวเองหน่อยเปลี่ยนเป็นพูดว่าคุณหันมาสนใจความจริงขั้นสูงสุดที่พุทธศาสนาท้าให้ไปพบคุณจะยังคงความเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างเต็มภูมินั่นคือคุณกําลังศึกษาอยู่ว่าทำไมใจเป็นทุกข์และจะทําให้ใจพ้นทุกข์ได้อย่างไรด้วยการหาคาตอบทั้งสองแง่ คุณยังคงเป็นนักวิทยาศาสตร์แถมเป็นนักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และนักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในทีเดียวอีกด้วยไม่รู้ก็บอกไม่รู้คุณต้องยอมรับกับคนรอบตัวตามตรงว่าคุณยังไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเป็นสุขกันเพียงใดเมื่อใจไม่ต้องทุกข์อีกแต่คุณรู้ว่าเพียงเริ่มเชื่อก็เกิกเกดความหวัง และความตั้งใจดีๆทําให้ชีวิตมีความสุขขึ้นแล้วเมื่อดวนถามหาใบาเสร็จว่าจะเอาอะไรพิสูจน์ให้เชื่อล่วงหน้าว่าทําได้จริงอันนี้คุณก็ต้องมองเข้ามาที่ใจตัวเองถ้าใจยังไม่จริงยังไม่เอาจริงยังไม่ทําจริงก็ยอมรับไปตามจริงว่าคุณยังพิสูจน์ไม่ได้ คำตอบว่าอย่างพิสูจน์ไม่ได้เพราะยังไม่ได้ทดลองทำจริงนั่นแหละจะยังคงรักษาความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของคุณไว้ได้อย่างเที่ยงธรรมต่อไปครับ